พระธรร ม, มเตสนามโหสดจดกจอมปราถแห่งมิถิลาผูกเสาสองฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปางข้ฉลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยปออินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทำฮหกประโยคนักธรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายนาโม สัพพวตถะวัตถสมมาสมพุทธัสสติสัตตสุริสัจตารุจเนียตาญติ ส า, าโุดุราสาปุริสาตั้งลายตั้งยิงงใจหนุ่มเทาอันนังเฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวาโพธิสัตวตัสปุริสาดังนี้เป็นต้นบัดนี้เดต โอทิสัตวตัสาปุริสาอันวาใจตั้งหลายแก่นใจแห่งดอกพระติไวบุญนาเกาะนำมาบอกจายังสีเจ้าฝ้าห่อโค้งมาถึงอุโมงกว้างใหญ่เกาะขังไว้จอมกันพ่องแห่งกันอยู่เฝ้าบอกสีเจ้านีไก พองเรียวไว้ก้าฝากออกมาจากอุโมงค์ผู้บอกหนอพุทธาองค์ยอดเน่าหื้อหูข่าวตามี <c oughs> นอมโมนีหูแล่ใจพองแผวสมบัสสาจิริงไก่กาง่ายบาดขึ้นภาษาถอใจเปืือจักไปอยู่เฝ้า ยังเต้าเจ้าวิเตหราชาส่วนพญ า, าวิเตหราชาอยู่ภาสาัดไปบนหันรีปนมากเตา้าแห่งเต้าเจ้าจุลนีล่อมปุรีเมืองใบจอดเสียงไข่จูป้ายกมไฟหลไม่ไตส่องแจง้งไข่แดนไก โยธาในโหร้องสนันนกองอาณาถือภาลาหอกดาบเลื่อ ม, มามาบสสนเป็นรีปนหลายหลกักสิบแปดอโคเพนีหากเป็นธารเต้าสังกาหลายแหลบ่บ่อแจ้งแนหันใสจริงจะไขถ่ามที่ส่งนักพาษีอาจารย์ ว่าต้าผู้บนลจุลนิราดยกผัวข้าวหาดโยท่าเถือภาละกับดาเพื่อมมาหมาบสะสนเป็นรีปนมูไ่ล้อมเมืองไว้จูป้ายอมโมกลายยายาิพ่องเถือสินาดปืนไฟเข้าใส่ใจมาายหรือต้องภายมาดีจุงไขวตีเกาอู คือเฮาหูอาการเสนากาอาจารย์ผู้เทาก็กมเก่า อ, อันจุลีว่าพญาจุลนียดใหญ่นำไัยไตยโยธา <c oughs> มีนำนาลายแลรรอยว่าแหราชธิดาเพืือกนำบาถวายเต้าด้วยใจจืนเยายินดีสืบไม่ทีมันแก่น เป็นปืนแผ่นเดียวกันขอเจ้าหอจันยดใหญ่ยามาดไมเครื่องกปาปกุตะก็สาขับไว้ว่าคาแดเต้าไทยผูมี <c oughs> อันว่าเต้าจุลดีที่ราดยกอามาดโยธามีนำนามากเต้าเปื่อมาเฝ้าแห่นกันฮือเจ้าหอจันที่ราช ได้กากาดอุนตาายสำร้านลายยั่งย่อนกับนางอ่อนนองคานจุมอาจารย์ตั้งสีต่างเกากีไขปันตามเขามันกิดได้บ่กิดไขหันไพ่เจ้าห่อใจวิเตหาราชบ่เสียงขาดสงสัย จึงจะใครทมต่อซึ่งเจ้าหนอบุญนาว่าจุ๋มโยธา้น่ใหญ่ล้อมเราไว้จูปายเขาตั้งหลนั่นโสดมาเพื่อประโยชน์อันใดเจ้าหันใสแจ้งที่จุงก่าวจี้มาปันหนอคุณท่านหนุ่มเนาก่อขึ้นเล่าในใจ ว่าเจ้าหอใจนี่ใสหักบอดใบปลาเราได้จากห้ามขาดว่าบอกวรจากภาษาถ่อคำบอกฟังก ร, รมเราเก่า ซ้ำโคดเฮาเครื่องขีจำเรานี่ลาภาคออกไปจากปุรีกวรไข่วาตีคำราผมข้านาบหัวใจหือหอราไทยเต่าไทย ร้อนมาดใหม่เครื่องกาแลออกไกวจ่าลมเล่ายังเต่าเจ้าปลายลุนดอตนบุญยศใหญ่กันเกิดไข้สุดไปก่อนโยมือถอยก้มเก่า ว่ากาะแด่เต้าเจ้าปุรีอันว่าเต้าจุนลนีที่ราตนามอามาโยธ า, าล้อมปาราระรัไวจอดเสียงไขวจูปายย้อนเข้ามายจักขายัางเจ้าฝ้าเราราตั้งโยธ า, ามวลหมู่ฮือห ม, มุบหมู่ว่ำวายในยามงายผูกเจ้า ก่อนกินเข้าดีลีจุมคนมีหมากเต้าได้ยินเจ้าใครปันต่างป้ากันสาดุงสติฟุ้งเววาขัวโมระนาหมกหมูบ่อได้อยู่นานไปส่วนเจ้าหอใจไม่เดือดคอแหงเหือดเหลือลายหาน้ำลายบ่ได ร้อนไร้ไข่กา ญ, ญาปริเตวานาลายลากว่าใจเราหากควัดไคว่ดังตุงยิ้ห้อยป่องลมถีบตองพัดพันคอก่อตันเหือดแห้งพอบอ่อแจ้งหันตางดังอยู่กลางป่าแดดไฟไม่แว่ตัวม้าร้อนกา ญ, ญาลำหมอกบอ่อจ้างออกไปได้ เจ้าห่อใจยอดซอยริ่มถอยลาลผากกานดอโปที่ญันบุญกว้างฟังเจ้าจ้างปริเตวานาซ้ำเร่งจ่าคำราบคมขนาบาัวใจว่าเจ้าห่อใจยอดใหญ่ตกอยู่ใต้ตันหาเต้าปีาฝ่าไหอยยังสาวน้อยแดนไก่ข้าหันไยอันราย จักหอยใต้ตัวมาจริงได้จัห้ามขาดบ่อฮือละภาษาถอคำบ่อฟังคำค้ากาวซ้ำโคดเท้าจำนี้ เจ้าปุริที่ราชฟังแต่สีนักผาดอาจารย์นั้นทูลสารบอกเล่าว่าหูแบบเบากองดีกมกึดมีแต่ก่อนเอาไปซ่อนเสียไหนเป็นสันได้บอใจตามกึดไว้เดบ ม, มาขานี่นากึดไข่ไข่เฮ่เตาาไทยสดสดีได้ไขรว่าตีห้ามขาด ป่อยเฮาหาดเครื่องกาซ้ำไข่จับอกเล่าว่าสีเจ้าอาจารย์หูจะนานองอาจจบฉลาดเดีอยคนบัดนี้ตนเต้าไทย <c oughs> มีตุกใหญ่บาปานจุงเฮืออาจารย์ตั้งสีขึ้นทวนที่ตามภาญาตนภาญาญยศใหญ่ซึกแวดไว้จูาย ดังกว่างทารายเถือนทองถูกบ่วงก้องได้พรานเตียงดับสังขารความน่าบเดินจ้าดีลีข้าหันไพมีไปนาได้ห้ามเจ้าฟ้าหอใจว่ากันกาไกเตียวตองไปสู่ห้องอุตรปันจารณาก่อนักเมื่อมนมวยหมดบ่อได้รอดขึ้นมา ดังเนื้อดงดาบอดใบบอคกดผักไคหันไผเต้ามีใจไฟเอื้อแต่ดังเนื้อดงดานอันในพรานมัดหล่อไว้ตีหม้อกองตา เข้าไปหาตีไกลลวดถูกหอกใหญ่บำไว้ดังป่าตั้งลายใจหม่อหันเห่อล่อลงมาเข้าไปหาตีไกลเสาหวับไว้บัดเดียวตรานเบตรีโอบอดจาาละขึ้นมาคาตุ้บหัวอันหนึ่งตัวคาน้อยได้ก่าวท้อยทุนศารว่าเกวัดอาจารย์นั่นใส ใจถอยไร่อาธรรมบ่อกว่ากรรมบาปกาจักตอบตาตัวตั้นใจแห่งมันกรรเศร้าดังงูเห่าดงนาแม่นคุณนาอุ้มไว้มันบ่อเกิดไข่หันคุณย่อมตารุนวันกอดแล้วชกตอดเอาตายเต้าบุญภผยโศกไหมย้อนเท่าถอยไร่เกวัดอาจารย์ ขบคุณสามานใจถอยตุกย่อมห้อยถึงตนกันขบคุณนักผาดผู้ฉลาดกองทาจักสุขนำบ่อน้อยอยู่จื่นจ้อยเจยบบานข้าทุนสารขับไวเพื่อเฮต้าไทายสดสดีเจ้าปุรีโคตกาดาวว่าขาน า, นาว่าบ่มีผาญาใบาบอด บ่อหูรอดกองเมืองหามเต้าบุญเรื่องยศใหญ่บ่อหือได้สาวศีวาา่าคาบด่ดีลำหมอกเป็นคนบ้านนอกแดนไก่หัวแต่ไทยงอนใหญ่จักไทยให้และนาะบ่มีพระย า, าหูรอดยังการเต้ายอดผู้บ้านมีแต่อาจารย์ตั้งสี่ หากูวแจง้งทีตามมีจำคณีละภาคออกไปจากปาราบัตินาซึกใหญ่วังแวดไว้จูไาหขอเต้าบุญภายทำเราเสงนักผาดเกา่าเดิมมาเขามีพระญาองค์อาจผู้ฉลาดสับปาการเขาเตียงทุนสารเก่าจี เอ่ยแจ้งที่หันหันข้าเป็นคนบ้านบอกบ่อจ้างบ่อไข่ปันเจ้าห่อจันบิเตหราชฟังเจ้าน้อยนาจจากไครก่อขะดิ่งได้ดันสอดว่าม่โหสดยอดเสนาบอดีไรว่าตีลืมเหล่ายังโตดเก่าตัวเราบ่อบางเบาแต่ใส ตามมันได้ใครจะมันมีราญาองอาจผู้ฉาลาดหันไกออกเวียงใจก่อนนามาอยู่ท่ามือ น, นานเตียงกะตมการดาไว้เพื่อหือกูไดสดสดีเจ้าปุรีเกิดแล้วก่อเก่าเสึ่งเจ้านอกแก้วบุญภายว่าดูระตนคำใจผู้ฉลาด จุมดักผาดเดินมาย่อมบอจากก่าวโตดอันไรหดไปหลังเราได้ฟังเจ้าก่าวร้อนผ้าเผาเหลือใจเป็นสันไดตัวเจ้าเอาโตดเก่ามาจาดังเอามามาบัดไวแล้วเอาดอนใหญ่มาแต่งกันเจ้าจอมแป้งกินกู้หากยังหูใบาย เือเราหลายมวลมากได้พ้นจากมราณาจุงไรจากเกาจี้แจ้งทีเร็วไว้บ่มีภัยแต่เล่ามีแต่เจ้าคำาจเราตั้งหลายน้อยใหญ่จักเปิงใดดังคานิ่งเจ้าบุญปิ้งผู้ชาลาดฟังเต้าที่ราชจากใครก็คานิ่งได้แถมเล่า ว่าตนเต้าเจ้าราชาใจปลาใบาบอดบ่หูจักยอดคนใจมีผ้ายาลายจบจอดหูแจ้งรอทรับประการควรทุนสารขับไว เ อ, อต้าไทยเครื่องกาแลอาสาขาใจบอกเต้าไทยไปลุ่นนอตนบุญหน่อยหนาดกานิ่งขวาสุดปลายก่อแสงทวายน้อมไวว่าคาแดเต้าไทยพาปาราคาตันภาญาลำหมอกตื้นบ่อขันไล ย, ย้อนสักลายอาจกาเฝ้าอยู่ทาดาฟัน ถึงยามวันบวกเจ้าเต้าเป็นเจ้าปาราตั้งโยธาจูพูเตียงมูกหมู่ว่ำวายคือเตียงตายเสียงไข่บ่ออาได้พระนี้ เว้นแต่มีจางแก้วตัวเลือดแล้วชัดตั้นอาจพายพันไว้ว่องขึ้นสู่ห้องเวหาหรือมีอัามาแก้วตัวเลือดแล้วอัสดอน <c oughs> ขี่สัจรนไว้ว่องขึ้นสู่ห้องไปบนหรือจักษ์ไรสนป่าไม้ขุดตัวใหญ่ป่าสานหรือพัญามาณเฮาหาด ปาขึ้นอากาศพันพายเราตั้งลายมวลหมจิงบ่อหมุกหม่เมื่อม้อนค้าแด่พระผู้ทอนยดเหย้าตนภาพดาวปุรี อาหาฤทธิบ่อใดบ่มีเตจะใหญ่เจียงคานบ่อาสานไว้ว่องขึ้นสู่ห้องเวหนบ่อาจช่วยตนตันเต้าผู้ภาพดาวปารา กับเสนาะมวนมาคือป้อนจากต่างตายกันเจ้าบุญผายยอดซอยเกา่าเสียงถอยสุดกำเจ้าหอคำบีเตฮาราตร้อนไม่มาดเหลือใจเป็นดังไฟไม่เอามากว่าเกา่ทาทมดาบออาจาเก่าเตา่าดักอยู่ได้ได้ก็มีฮันแหละนาะ อาธาในกาละนันเล่าเสนากะเก้าอาจารย์หันเต้าภูบานวิเตหาราชร้อนไม่มาดเลือใจก็ <c oughs> ขะดิ่งในเกิดไวาว่าภัยะ ใ, ใหญ่หมีมาถึงเราระหนุ่มเท้าตั้งเต้าเจ้าหอใจบอ่อมีภัยแต่ใส จักเปึ่งได้ดังหมายเว้นแต่ใจผู้ะลาดคือมโหสถนักภาตเสนาบอดีกวนไขาวาตีเก่าวทอย <c oughs> ด้วยกำอ่อนอ้อยวอนยญ่ยขอมันไข่เก่าอู้ฮือได้หูอาการเสนกคาอาจารผู้เทาก่อคดเข้าไปหาแล้วไขจะาต้านต่อ ซึ่งเจ้าหนอบูนีว่าคาแดเซนาบดีนักพาดผู้ชาลาดเตือลายยังมีใจผู้หนึ่งไสตก น, ำนำ้ำใหญ่วังไส่ใสน้ำไหลละลังพอหาฟังสุตตาน้ำปัดป้าไหลหลงไปว่าว่องเรียวปันก่อไปหันเกาะใหญ่รีบล้อยเข้าไก่บัดเดียว แลอรีเปรียวขึ้นฝังใดจอดอยั่งเสาซาปนมารณนาก้อยกาดหทายไม่มาดเร่รนใจตกวังบนนั่นใซคือเตาาไทยเรารา ก็กางกางกานั้นเหล่าคือตัวเจ้าบุญมีขอภานีแผ่กว้างจ่วยเจ้าจ้างเราราปนมรณาหมุบหมู่ใดปอกสู่ภูรี ยามต้าจุลาดีหาท้าตั้งร้อยเอตเต้าไก่ตาพร้อมโยธามวลหมู่ล้อมเมืองเราอยู่จูไปบ่เมือนไหล่วงแล้วเจ้าตนแก้วบนญมีย่าังไหลเขานีจูผู้บ่ข้างอยู่คนใดเจ้าห่อใจที่ราตั้งอามาตเสนา พระเจ้านมเทาบ่อได้เข้ามารธาย้อนพระญาองค์อาทแห่งเจ้านักภาดดีลีขอเจ้าบุญมียาจ้าช่วยเจ้าฝ่าเรียวปันนอคุณทันยอดซอยจริงตอบท้อยเสนากะอาจารย์วากิจาการดวงแล้วเมื่ออยู่เมืองแก้วบีทิลาเมืองนันนาใหญ่กว้าง ไก่ก่อสร้างมานานมีภาคการสูงใหญ่ค่ากึดไขหันใสย้ำสักไก่แวกไก่ค่าจิงแต่งใสอุบายหฮือสักไาลอาจกาได้ภาคน้านีไก่ส่วนเวียงใจนีใสพงสร้างใหม่สับปันสักอนันมวลหมู่มาแวดอยู่จูปไปบ่มีอุบายคำราบ คมขานาบจุ่มเข่าแม่นตัวเรามีปีกบินเลี้ยวลีพัดพันด้วยเร็วปันรีพาวขึ้นสู่ดาวปลายบนจริงจักเอาตนกาผาก ค, คือปนจากต่างตายกันเราตั้งหลายนี่ใสบอมีปีกว่าบินดีเตียงดับอินทีจูผฟูบอข้างอยู่คนใด ข้าตันใจแต่เล่าบอกจ่วยเจ้าปาราตั้งโยธามวนมาคือป้อนจากตั้งตายและหน้าเมื่อนั้นพ ญ, ญาวิเตหาราชร้อนไม่มาดนำนา <c oughs> บ่ อ, อาจจะาต่อถอยกับเจ้ายอดซอยบุญมีตุกเครื่องขีทางคอนว่าบุรอนเดือใจจริงคนิงใดกึดเหล่าว่านักผัดเก้าเสนาคักกอาจารย์ลางเตื่อจะนานหูรอดลางเตื่อพัยาบดตึบตันกวรถามมันสั้นทีือมันจีใครจากกันกิตนาเมียนขาด จิงามนักผาเสดกาอาจารย์วาสึกใจหานบาเต้าวังแวดเฝ้าจูไปเราตั้งหลายน้อยใหญ่จักแปดใดสันใดมันเรียวไว้ก้มเก่าว่าคาแดเจ้าปุรีดีบอดีก่อเล้วขอรอเต้าตนแก้วห่อคำฟังยังคำ้าเทา จักบอกเล่าทุนซาพาตูนา น, ะนาหน่อยใหญ่ฮับเสียงไข่จูอันอันเอาน้ำมันมาลวดเผ า, า, าภาซัดพังกาเ <c oughs> อเรารามวนหมูตายหมุูหมู่จอมกันหรือแต่งฟันกันเล่าเฮเต้าเจ้าปาราตังเสดานหน่อยใหญ่ตายเสียงไข่ดีลี อย่าคือเต้าจุลานี้อยากจะยับไปคาเคคาเจ้าปาราธิราชฟังเสน ก, กะนักผาดจะใครดังหัวใจจักแตกย้อยแล้วแหลกเพธาจริงจักจาทำเราสงนักผาดเก่าปกุตะอาจารย์มันก่อทุนสารกมเก้าว่าข้าแด่เต้าเจ้าห่อคำ เรากวนกินกวนยำปิดใหญ่คือตายฟอมไข่จอมกันเจ้าหอจันยอดใหญ่ซ้ำเอาไหมน่นนำจริง่คำทำเราซึา่งนักผาดเก่ากาบินตะอาจารย์มันกอทุนสารกมเกา่าว่าคาแด่เต้าเป็นเจ้ารีปนเรากวนแขวนขอ้อตนจูพผู้ ฮือหมกมู่จอมกันอย่ากฮือเจ้าหอจันจุลนิราษผู้หาหาดอย่างไรยับเราไปคำคาคนจักเหล่านานินตา <c oughs> เจ้าปาราญดใหญ่ซ้ำร่อนไหมเลือกการจริงถามเทวินตาจานันผู้เท่าว่าจักเยะเหลาสันใดมันก่อเรียวไว้ก้มเก่า ว่าคาแดดเต่าเจ้าปุรีกันเสนาบดียศใหญ่ช่วยบ่ได้ดังหมายควรเราตั้งหลายนี่ใสเอาหอกดาบใหญ่แตงฟันยังกันและกันจูผู้ฮือหมุบหมู่เมื่อม้อนฮือนาครนี่เล่าเป็นเมืองเป่าเมืองวายอย่ากข้าสักไหลมาไกลยับเอาใดนำไป เจ้าหอใจฟังแล้วบอกกัดแก้วมองขีโศกตกมีมากเตายิ่งกว่าเกาทมนาเจ้าปาราหยดซอยเรียมถอยนานาว่ากูเป็นภาญยาที่ราดนั่งภาซาจะเว่ยเมืองยาสะเร่องบ่ผ่อนตั้งแต่ก่อนเมอนลาลเป็นดังคนใจใบบอด ไปสอสอดสแว่งเอายังแกนามเล้าต้นกล้วยตามหอมห้วยปูพาสแว่งหาซอไซยังแกนไม่ชิมปลีคือไม่งิวมีลายหลากจากใดแกนจากแดนใดกูขานิ่งในไข่ผักคือป้นจากสัตวถูได้ทำดูนักพาด โอ้โบ่อาดไข่ปันเตียงดับพันความนาย้อนสกกาเลือลายดังจังปังไปตัวใหญ่อยู่ป่าไม้องควางตกลงกลางห้วยแรงน้ำขาดแหงมองเงาหัวใจเรา้าไวววันดังใบไม่สันยำลมโศกทุกทมไม่เดือดคอแห้งเหือดเลือลาย หาหนำไลยบอดใดย้อนร่อนไว้นำนาอุปมาแถมเล่าเป็นดังเบาคำแดงอันจ้างแปลงสุบเซาร่อนไม่เอาไปไหนเป็นดังไฟไม่แวดซ้ํามีแดดเผาล้นคือดังตนกู้ไทยึกแวดไว้จูปไฟนักผัดลายน้อยใหญ่ช่วยบอดใดดังใจ เตียงตายไปบ่อจ่าย้อนซึกอาจกาแต่งฟันเจ้าหอดจันวิเตหราชเจ้าภาษามิทิลากรีราจ้าเ่าวทอยมีบ่อน้อยลายภ า, ากาโกมีฮันแลนา เมื่อนั้นนอปูทีนานตนองอาทัานเต้าที่ราตปาราริร่ำจากเกาท้อยย้อนตุกจองห้อยเลือลายเตียงจากตายมวยหมดบอดได้รอดนานไปจริงเดียวไว้ก้มเก่า ว, ว่าข้าแด่เต้าเป็นเจ้าแกร่รีปน ถ้าเป็นคนบ้านนอกอยู่ข้างขอกเพียงใจหูแต่ไทยและงอนบ้อูบ่นกองเมืองเหมือนนักผ่าเรื่ององค์อาจผู้ฉลาดจบทอง <c oughs> บ่ออาจปองจวยเต้าฮือป่อนดาวมาร า, าข้าขออาสาจวยกั้มฮือหลวงลำอันตรายฮือเต้าบุญภายที่ราด สังอามาตโยธาได้ไก่กาลาผาปนเสียจากตั้งตายจังมาลหลมวลหมูบ่หื้อหมุกหมูเมืม่อมนขอเต้าผู้ทอนยศใหญ่ ไอศกใหม่เครื่องกาคาจากปาเจ้าฟ้าป้นจากสกาชากันดังเอาพระจันทร์กาผาาป้นจากปากระหูดังปล่อยงูจากคลองดังปล่อยนกจากบ่วงก้องนายพรานยกจ้างสานตัวแก่อันจมแจ่เปลือกตมหื้อเต้าอูดมหยอดซอยได้จื่อจอยสดสดี จักเหต้าจุลนีห้าหาตั้งอามาตโยธามีนำนามวลหมูเล่นสะสูสะสนตัางเอาตนลาภาหนีออกจากแดนดินดังเอาหินก้อนใหญ่ควางสัดใจฟูงกาอันวาพระญาณีสดมีพระโยตหลวงลายคนณพญ า, ายไผ่อง้งอาจ โอจชาลัดจบทองจริงทริปองออกได้ยำไัยใหญ่มีมาจุมโยธามาตั้งนักภาตอาจารย์ผู้จะนานอวดอูว่าชาลัดหูเหลือคนบ่อาจ่วยตนเจ้าฟ้ามีแต่ค่าเดียวได้จักยกเต้าบุญภายยศใหญ่ตั้งไายไตโยธา มีน้ำนามวนมากคือป้นจากสถัานากันนอโปธิญาณเก่าแล้วเต้าตนแก้ววิเตหราาตั <c oughs> ้งโยธาหนุมเทาอันแวดเฝ้าเป็นปริวานตั้งอาจารย์ตั้งสี่มีนาคีบ้านใจมีหัวใจจืดยาวสาทุาวเศร้านั่นเนืองและนะ ที่นั่นเสนาการพวกเจ้าก็ทำเจ้าบุญมีว่าจากนำเจ้าปุริยศใหญ่ตั้งภายต้โยธ า, ามีนำนาทั่วห้องนี่ออกจองแดนใดเจ้าก็ใครตอบท้อยว่านี่ด้วยจองน้อยอุโมองค์อันขุดลงดาไวไ้ใต้ผาศัตย์ใหญ่เร้ า, า, ยายรา แล้วเหอค้นต่างตาแก่นใจใครอุโมงใหญ่บัดเดี้วใจสายกม้มไฟเรียวไว้ว่องแจงไข่ห้องไปในแล้วเรียวไว้ขับไว้ซึ่งเตาาไทยวีเตหราชาว่าบัดนี้นะากวรเต้านี่ผากดาวเรียวปันเจ้าห่อจันวิเตหราชก็นำอามาดโยธา มีนำนามวลหมูลงไปสู่มองอันขุดลงดาไว้ไตพ า, าสัตว์ใหญ่เจียงขานส่วนเสดกะอาจารย์ผู้เทาบ่เก้าขีญา หมวกสุบมาถอดออกเอาผ้าปอกยังหัวขียนแอวตัวฮือมันเปื่อหลอดดันอุโมงนอพุทธองค์หันแล้วบอกกาดแก้วสังกาจิงจัดจาทำเล่าว่าดูระเท่าอาจารย์ตันกะตำการดังอันย้อนขึ้นที่สั้นสังจามันก็จาตอบเล่าว่าคนจะเข้าอุโมง อันขุดลงหลับลี่กวนเงียดังนี้ดีดีนอมูนี้ตอบเล่า ว, ว่าดูราเทาอาจารย์บ่ใจจักการหรือกมเตือเงียหัวง ม, มเตียวไปอูโมงเตรียมใจเราสร้างหากสูงกวาง้างนำนาแม่นพาธน า, าไฟอ้างจักขี่จัางปังไป รถมาลายน้อยใหญ่ย่อมไปได้สดสั ด, สดีหนอมูนีน้อยหนาตก้องเสนาะ ก, กะนักผาดเรียวไว้รีบเดียวไปก่อนหน้าตนเจ้าฟ้าหอควางอยู่ท่ามกลา ง, างเจ้าหมูเจ้ากินกู่บุญมีผัญญาดีองอาจก่อยง่ายบาทจอมหลังก็มีวันนั้นและนะ นิทิตังขีญาสังวันนาวีเศษจาห้องเหตมะโหสดผูกเศ้าองกอบังกมสมฤตเสร็จแล้วตอนนี้ก่อนแล